ว่าก้ออริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหลเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งดังนี้ว่าก้ออริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหลเราทําให้แจ้งได้แล้วดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสูุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทําให้สัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ว่าข้ออริยสัจคือข้อปฏิบัติ ที่ทำให้สัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขนั่นแหลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้